อตอนนี้ฝนยังตกอยู่เสียงยังดังอยู่อาจจะฟังไม่ค่อยได้เย็นกันก็ขอให้ใช้เวลานี้ไปกับการปฏิบัติกันแล้วกันเรามานั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งรอให้ฝนหยุดแล้วเราค่อยมาฟังเทศฟังธรรมมาสนทนาธรรมกัน การนั่งสมาธิก็นั่งเพื่อให้ใจสงบไม่คิดอะไรใจจะไม่คิดอะไรก็ต้องมีเครื่องกํากับใจเช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้บริกรรมพุทโธไปโดยที่ไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ ให้อยู่กับคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปหรือจะดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกหรือจะเอาสองอย่างปนกันก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทก็ได้แล้วแต่ความพอใจแล้วแต่ความถนัด หรือถ้ายัางดูลมไม่ได้หรือพุโทโธไม่ได้จะสวดมนต์ไปภายในใจก่อนก็ได้สวดปิติปิโสสวดอรหังสัมมาสวากขาโตสุปัิปันโนสวดไปเพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอใจรู้สึกเบาเย็นสบายถ้าดูลมได้ก็ดูลมต่อไป ถ้าพุโทโธได้ก็พุโทโธต่อไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขความสบายใจโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีสิ่งของต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราสามารถหาความสุขภายในตัวของเราได้ แล้วต่อไปเราก็ได้จะได้ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งสิ่งของไม่ต้องพึ่งบุคคลต่างๆและไม่ต้องพึ่งร่างกายของเราเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับเขาเพราะเขาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันจากเราไปนั่นเอง <Yeah. S 1> ดังนั้นเราตอนนี้มา หัดทำใจให้สงบกันเราได้ยินได้ฟังมามากมายพอสมขวดแล้วตอนนี้ถูกบังคับให้นั่งถ้ามันไม่ถูกบังคับมันก็จะไม่นั่งกันกิเลสมันไม่ยอมให้นั่งง่ายๆแต่พอดีวันนี้เป็นบุญของพวกเราที่พ้ามาช่วยเราผลตกทำให้เราไม่สามารถที่จะฟังเทศฟังธรรมกันได้ อย่างสะดวกเราก็เลยมานั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งไว้รอให้เสียงฝนหยุดไปแล้วเราค่อยมาฟังเทศฟังธรรมกันต่อเวลานั่งแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับร่างกายร่างกายจะเอนไปทางไหนก็ไม่ต้องไปสนใจคันตรงไหนก็ไม่ต้องไปสนใจมีอะไรมาให้รู้ก็อย่าไปสนใจ ให้รู้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับการสวดมนต์ของเราไปใจจะได้เป็นสมาธิเป็นหนึ่งถ้าไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะทําให้ใจแตกใจไม่รวมเป็นหนึ่งเราต้องการให้ใจรวมเป็นหนึ่งเราต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหรืออยู่กับการสวดมนต์ ขอให้เราพยายามทำกันแล้วเราจะได้พบกับสิ่งที่ดีที่วิเศษที่มีอยู่ในตัวของเราเองที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแม้ร่างกายนี้จะตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนะความสงบที่เราได้ก็จะไม่จากเราไปเพราะมันอยู่กับเราอยู่ที่ใจเรามาทำกันสักพักหนึ่งนะ น่เดี๋ยวค่อยคุยกันต่ อ, อตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วการนั่งสมาธิก็พอสมควรแก่เวลาหวังว่าคงจะได้ความสงบบ้างไม่มากก็น้อยหรือไม่สงบก็จะได้รู้ว่าเรายังขาดอะไรอยู่สิ่งที่ทำให้เราไม่สงบกัน ก็คือสติการไม่มีสติถ้าเราไม่มีสติใจเราจะไม่สามารถจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้อยู่กับพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะไปคิดเรื่องต่างๆแล้วก็จะทำให้ฟุ้งขึ้นมาได้ใจก็เลยไม่สงบเราจึงต้องอดจเจริญสติกันอยู่เรื่อยๆก่อนที่เราจะมานั่ง วันวันหนึ่งนี้พยายามมีอะไรผูกใจไว้ดึงใจไว้เช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายโดยที่ไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นนคนนั้นคนนี้ให้พยายามดึงใจให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธ เลืออยู่กับการกระทาต่างๆของร่างกายแล้วพอเวลาเรามีเวลาว่างเวลามานั่งถ้าใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งใจก็จะสงบได้ง่ายและสงบได้เร็วสงบได้นานมีความสุขมีความสบายใจเริ่มเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เกิด ความวุ่นวายใจต่างๆได้อันนี้ก็เป็นวิธีสร้างความสงบสร้างความสุขในเบื้องต้นด้วยสติเพราะเรามีความสงบจากสติแล้วเราก็ใช้ปัญญารักษามันต่อไปเพราะเวลาใจเกิดความอยากขึ้นมาความสงบก็จะหายไปเราก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดความอยาก โดยชี้ให้เห็นว่าการทำตามความอยากเป็นการไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันจากกันหรือของบางอย่างได้ปุ๊บก็หายไปปับ๊บเช่นรูปเสียงเกล็ดรถที่เราไปเสพกันเวลาเราไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทาน พอได้เสพสัมผัสแล้วมันก็หายไปความสุขก้าที่ได้จากมันก็หายไปแล้วความอยากก็ความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาก็ทําให้เราต้องวิ่งหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่ไม่สามารถหาได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปสอนใจแบบนี้ด้วยปัญญาว่าการทําตามความอยาก อยากในรูปเสียงกลิ่นลดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่เลยเป็นการสร้างความสุขให้กับใจถ้าไม่ทำตามความอยากได้ใจก็จะสงบแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นอีกอันนี้คือการปฏิบัติธรรมมีสองขั้นขั้นสมาธิและขั้นปัญญา เราต้องได้ขั้นสมาธิก่อนได้ความสงบก่อนเพื่อที่จะได้เห็นคุณค่าของความสงบว่ามีคุณค่าอย่างไรพอเราเห็นแนละ้วเราจะได้ปกป้องรักษาเวลาที่กิเลส ต, ตัณหาความโลภความอยากต่างๆจะมาทำลายเราก็ใช้ปัญญาที่พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าของต่างๆที่เราอยากได้ มันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังกป็นอนัตตาทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันไปให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะระงับความอยากต่างๆได้พอระงับความอยากได้ความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะกลับคืนมา แล้วเราก็จะไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยยากเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการทำอะไรต่างๆแล้วเราก็จะได้สบายไม่ต้องพึ่งอะไรแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ไม่ต้องพึ่งเพราะมันก็พึ่งไม่ได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราไม่พึ่งมันเราก็จะไม่เดือดร้อน จะไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความตายไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อีกไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่มาวุ่นวายกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทํามาหากินแล้วก็ใช้ร่างกายหาความทุกข์มาใส่ใจกันนี่คือวิธีทางของพระพุทธเจ้า ที่จะพาให้จิตใจของเราได้หลุดออกจากการเปลี่ยนว่ายตายเกิดหลุดออกจากกองทุกข์ทั้งหลายมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราได้พ้นทุกข์กันได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรกันทางอื่นเป็นทางสู่ความทุกข์สู่ความสุขปลอมสู่ความสุขชั่วคราว สู่ความเวียนว่ายตายเกิดที่จะไม่มีวันอ่อนสิ้นสุดดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเจริญสติกันให้มากๆฝึกสติให้บ่อยๆแล้วพยายามนั่งสมาธิให้มากๆยิ่งทำมากก็จะยิ่งเกิดความชนานาญเกิดความสามารถแล้วก็จะได้ผลขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับขอให้เราเชื่อ ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้พบสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษแล้วนำเอามาเผยแผ่ให้กับพวกเราขอให้เราจงมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญสติพยายามเจริญสติตลอดเวลา เราสามารถจเจริญได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลายกเว้นเวลาที่หลับเท่านั้นถ้าเราจะเรีงนสติได้สมาธิก็อยู่แค่เอื้อมมือนั่งหลับตาพุทโธสห้านาทีใจก็จะสงบแล้วก็จะนั่งได้นานแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาคอยกำจัดความโลภความอยากต่าง แล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความโลภความอยากมารบกวนใจเราก็จะมีแต่ความสุขความสงบไปตลอดก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนจะอนุโมทนาให้พรเพื่อญาติโยมจะได้นำเข้าของอะไรเข้ามาถวายหรือมารับหนังสือซีดีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสนทนาธรรมกันอีก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 มาถามที่ไมโครโฟนมีไมโครโฟนให้ท่านได้ถามเพื่อผู้ฟังทางบ้านจะได้ยินเสียงคำถามและคำตอบคำถามจากทางบ้านจากคุณอโนไทยเห็นว่ามีความคิดไม่ดีความคิดร้ายเพ่งโทษมองลบ ช่างตัดสินเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเกิดความหงุดหงิดโมโหตามมาบ่อยๆรู้สึกไม่อยากให้ตัวเองเคยชินแบบนี้เพราะทรมานใจอยากให้ใจเป็นกุศลมีความสุขแต่พอเจอหรือกลัวจะเจอกับสิ่งที่ไม่พอใจไม่ได้ดังใจก็เกิดอกุศลในใจอีก ผมควรทำอย่างไรดีครับเราควรจะหยุดความคิดเหล่านั้นด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับการบริกรรมพุทโธไปความคิดต่างๆก็จะหยุดไปงั้นขอให้เรามาหัดบริกรรมพุทโธกันเพราะถ้าเราไม่หัดไม่ซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาเราจะพุทโธไม่ออกทั้งๆ ท, งที่อยากจะหยุดความคิดแต่ ก็ลืมพุโทโธไปฉะนั้นต้องมาหัดสซส้พุโทโธพุทโธก่อนแล้วพอเกิดความคิดไม่ดีเราก็สามารถที่จะบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหยุดความคิดต่างๆได้คำถามจากคุณพงพงทํทำไมคนทำผิดคนโกงยังลอยนวลครับก็ยังจับไม่ได้ก็ลอยนวลเลย <laughs> คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม การไม่กระทำตามความอยากนั้นเช่นไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วก็พออดทนไปได้ด้วยความเกรงใจศีลแม้จะมีความอยากอยู่ถ้าหากจะเข้าไปอยู่ในภาวะแห่งความไม่อยากเลยนั้นสมควรที่จะทำอย่างไรคะก็ต้องถือศีลไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็ติดเป็นนใิสัยแล้วมันก็จะ ไม่มีความอยากที่จะรับประทานอาหารเย็นเนี่ ย, ห, ห, ยหมดแล้วน ะ, ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมอันนี้เข้ามานะข อ, าขอเชิญเข้ามาทางด้านหน้านี้ก็ได้ไมครก็โฟนอยู่ทางด้านหน้านี้มาทางด้า น, นอะไรทางบันไดฮนะคือว่ารูปปฏิบัติ ได้ฟังธรรมจากท่านพ่อแล้วลูกก็ได้ปฏิบัติแล้วทีนี้ก่อนหน้าที่ลูกจะได้ฟังธรรมท่านพ่อลูกเคยปฏิบัติเองแต่ไม่ได้ศึกษามีครูบาอาจารย์อะไรพรลูกสวดมนต์ไปแล้วทีนี้จิตมันบอกลูกว่าตัวต่อไปอาตายลูกก็เลยแก้ปัญหาตัวเองอะ่ะกลัวมากกลัวจนเย็นไปหมดลูกก็เลยแบบลาตายเหมือนสั่งเสียญาติพี่น้องหมดว่า หนูคงตายแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วทีนี้พอมาหนูได้ฟังธรรมของหลวงตาหนูก็ใช้พุโทโธสู้ตายแต่พอหนูมาตังของด้านพ่อหนูก็มีความรู้สึกได้ยินว่ามันเป็นการกดทับหรือเปล่าเจ้าค่ะเพราะว่าหนูก็ฟังหนูก็เจริญสติอยู่ค่ะเจ้าค่ะแต่ว่า มันชอบความตายนะมันชอบมามาหาลูกมาเหมือนมาทดสอบลูกแล้ ว, ล, วลูกใช้พุทโธสู้ตายนี่มันถูกต้องไหมเจ้าค่ะถูกแล้วละ่ะพุทโธพุทโธไปมันจะตายก็ให้มันตายไปตายไปกับพุทโธใช่ไหมเจ้าค่ ะ, ะนั่นแหล ะ, อะขอบคุณเจ้าค่ะจะตายอย่างสบายจะตายอย่างสงบจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจ กรับถามพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอยู่คืนหนึง่งหนูนอนบริกรรมพุทโธเจ้าค่ะพอบริกรรมไปได้สักชั่วขณะหนึ่งจิตก็เหมือนมันมันออกจากล่างไปที่ใดที่หนึ่งอะค่ะขณะนั้นเนี่ยหนูก็รู้เท่าทันว่าเอ้ยเนี่ยเราเหมือนกับความฝันนะมันเหมือนแล้วเราก็รู้ตัวว่าเอ๊ยก็เลยถามตัวเองว่าเราตายตอนไหนทำไมจิตมาที่นี่อะไรเงี้ยค่ะ ตอนนั้นก็มีความกลัวก็เลยบอกว่าถ้าตายเราไม่อยากจะล้องหนมาที่ต่างๆแบบนี้ขอไปที่วัดพระแก้วจิตก็โผ่ไปที่วัดพระแก้วเจ้าค่ะขณะนั้นเนี่ย ก, ก็ก็พยายามจะถามตัวเองว่านี่เราเพ้อฝันไปหรือเปล่าในนั้นเนี่ยหนูก็ถามว่าพุทโธบอกตัวเองว่าพุทโธสิก็พุทโธถามใครคือผู้รู้ก็ถามได้เจ้าค่ะแต่ก็คือมีเหมือนมีสติอยู่ในนั้นนะคะ จนขณะนั้นเนี่ยหนูก็เห็นภาพผู้หญิงท่านนึงเขาบอกว่าหนูกลับไปได้แล้วพอกลับไปได้แล้วหนูก็ลืมตาตื่นขณะลืมตาตื่นเสียงแรกที่หนูได้ยินนะเจ้าค่ะคือเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังมากอันนี้ก็เลย จ, จะสอบถามพระอาจารย์ว่าสภาวะอารมณ์แบบนี้มันคืออะไรนะเจ้าค่ะก็อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนะจิตไม่สงบะจิตไม่มีพุโทโธกำกับอย่างต่อเนื่ยอยงงั้นควรที่จะ อยู่กับพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้รับรู้อย่าให้เกาะติดกับพุโทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไปแต่เนื่องจากสติเรามีกำลังน้อยพอมีอะไรโผล่ขึ้นมามันก็เลยเดึงเราไปเดงให้เราไปปุงแต่งไปคิดไปอะไรมันก็เลยพาเราไปเหมือนกับเรานอนหลับฝันไป แล้เดี๋ยวพอเราตื่นขึ้นมามันก็หายไปก็ให้ถือว่ามันเป็นเพียงอนิจจังของแม่เที่ยงเกิดแล้วดับมันผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่มีประโยชน์อะไรการนั่งสมาธินี้เราต้องการความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบถ้ายังไม่ได้ก็บอกตัวเองว่าคราวที่แล้วเราพลาดไปเราเผลอไป ไม่มีสติอยู่กับพุทธโธมันก็ะลรไปมีอาการอะไรต่างๆให้เรารับรู้กอาต่อไปพยายามยึดพุทธโธไว้ให้ดีเมื่อไรมีอะไรมาก็พุทธโธต่อไปอย่าตามรู้แล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราได้จากการปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งไปเจ้าค่ะกลับขอบคุณเจ้าหจ้าอื่ คต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกนะครับจากคุณยุพีนะครับการฟังธรรมนี้ฟังได้ทุกที่ไหมคะเพราะตัวลูกต้องไปดูลูกน้องทำงานด้วยแต่ก็อยากฟังธรรมะไม่ได้อยู่ห้องพระคะ่ะออการฟังสถานที่นี้ก็มีส่วน คือถ้าสถานที่สงบมันก็จะฟังได้ดีกว่าสถานที่ไม่สงบแล้วการฟังก็ต้องไม่ควรใจกระทำอะไรกายวาจาใจก็ต้องสงบด้วยคือร่างกายควรจะนั่งเฉยเฉยไม่ควรที่จะทำงานทำการควบคู่ไปกับการฟังวาจาก็ไม่ควรพูดคุยกับคนนั้นคนนี้สั่งลูกน้องให้ทำโน่นทำนี่แล้วก็ฟังทำไปด้วยหรือใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าฟังแบบนี้มันก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะใจมันจะวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวฟังเดี๋ยวไปทำโน่นเดี๋ยวไปคุยโน่นไปพูดนั่นไปคิดเรื่องนั้นฟังแล้วมันก็จะไม่ต่อเนื่องฟังแบบขาดขาดเกินเกินฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องใจก็ไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดเนีนถ้าอยากจะฟังเพื่อให้เกิดผลเราต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ และอยู่ในสถานที่สงบปราศจากเสียงต่างๆมาคอยรบกวนเลยบุคคลเหตุการณ์ต่างๆคือให้อยู่ไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัพฑอย่างที่เรามาอยู่ควาธรรมกันในขณะนี้บริเวณนี้จะสงบเงียบไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่มีกิจกรรมกระทึกคึกโคมทุกคนก็นั่งเฉยๆตั้งใจฟังกัน ถ้าฟังนี้ก็จะได้ประโยชน์ร้อยเปรซ็นคำถามจะคุณแอดลาสนะครับหากฟังธรรมะไปเรื่อยๆไม่ได้นั่งสมาธิสามารถบรรลุธรรมได้ไหมคะถรับมีปัญญาที่สามารถตัดกิเลสได้ก็บรรลุได้ถ้าตัดความอยากต่างๆได้หมดไปจากใจได้ก็บรรลุธรรมได้แต่ส่วนใหญ่มันจะตัดไม่ได้ ถ้าไม่มีสมาธิเพราะถ้าไม่มีสมาธิใจจะไม่มีกำลังที่จะไปตัดกิเลสถึงแม้จะมีมีดแต่ไม่มีกำลังไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงก็ตัดไม่ได้แต่ถ้ามีเลี้ยวมีแรงแล้วมีมีดก็จะสามารถฟันกิเลสฆ่ากิเลสให้ตายได้อันนี้เรามีปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมแต่ใจของเรานีอ่อนปวกเปียกเหมือนเด็กทารก ไม่มีกำลังที่จะเอาปัญญาเอามีดของพระพุทธเจ้านี้ไปฆ่ากิเลสได้เราจึงต้องมาฝึกสมาธิกันเพื่อทำให้จิตนี้แข็งแรงเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นเด็กทารกคนที่ไม่มีสมาธินี้ก็เป็นเหมือนเด็กทารกใจจะอ่อนปวกเปียกจะโลเลจะไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ แต่ถ้ามีสมาธิแล้วจะเป็นคนมีหนักแน่นมีหลักมีเกณฑ์มีพลังที่จะทําอะไรต่างๆได้ดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวถ้าไม่มีสมาธินี้ยากที่จะบรรลุได้ผู้ที่เขาบรรลุจากการฟังเทศฟังธรรมนั้นส่วนใหญ่เขามีสมาธิกันแล้วเช่นในครั้งพุทธการขั้งที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับบรรดานักบวช ท, ทั้งหลาย พวกนี้เขามีฌานมีสมาธิกันแล้วแต่เขาไม่มีปัญญาพอเขาได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าเขาก็เอาปัญญานั้นมาฆ่ากิเลสได้ทันทีเลยบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเพราะเขามีสมาธิแล้วเขามีกำลังที่จะเอามีดที่พระเจ้าหยิบยื่นให้ไปฆ่ากิเลสของเขา แต่พวกเรานี้ตรงกันข้ามกันพวกเรามีมีดพระพุทธเจ้าเราฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเรารู้ว่ากิเลสคืออะไรแต่เราไม่มีกําลังที่จะไปฆ่ามันยนั้นเราต้องมาฝึกสมาธิกันก่อนคือถ้าเราฟังเทศแล้วไม่ไม่บรรลุเรายังตัดกิเลสไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีกําลังไม่มีสมาธิเราก็ต้องมาฝึกสมาธิกัน ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราเอาธรรมะที่พระเจ้าสอนให้เราเอามาใช้เราก็จะสามารถเอามาฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้คำถามจากคุณผาสุโกนะครับอยากเข้าถึงธรรมจริงๆครับเข้าอย่างไรก็เข้าจากการปฏิบัติเนี่ยขั้นต้นก็ต้องเจริญสติ เพื่อให้จิตสงบก่อนจิตสงบแล้วพอฟังเทศฟังธรรมก็จะเข้าใจแล้วก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยการเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปทําลายกิเลสตัณหาต่างๆพอไม่มีกิเลสใจของเราก็จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามี พระอาหารหันต์ไปตามลำดับคำถามจากคุณนรินนะครับการทำบุญง่ายๆแบบเซเว่นหมายถึงอะไรครับแล้วเราจะได้อนิสง์มากน้อยอย่างไรและการถวายของหยาบและของละเอียดอนิสง์แตกต่างกันอย่างไรครับเราก็ไม่รู้นะทำบุญแบบเซเว่นเป็นยังไงต้อง คงหมายถึงเวลาที่ไปที่ร้านเซเว่นแล้วซื้อของมาใส่บาทหรือเปล่าอย่างนั้นก็ทำบุญแบบง่ายๆก็ทำบุญมันมีสามระดับด้วยกันทำบุญด้วยเงินทองเข้าของทำบุญด้วยการรักษาศีลทำบุญด้วยการภาวนาทำบุญขั้นให้เงินให้ทองก็จะได้บุญน้อยกว่าทำบุญที่เกิดจากการรักษาศีล ขั้นรักษาศีลก็จะได้น้อยกว่าขั้นภาวนาแต่มันก็ต้องไต่เต้าจากขั้นง่ายขึ้นไปสู่ขั้นยากทําบุญทําทานด้วยเงินทองมันง่ายกว่าการรักษาศีล<ม>การรักษาศีลก็ง่ายกว่าการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาการปฏิบัติธรรมแต่ก็ต้องทําไปตามขัน้นตามตอนเพราะต้องอาศัยกันละกันถ้าไม่ได้ทําทาน ก็จะรักษาศีลไม่ได้ถ้าไม่ได้รักษาศีลก็จะนั่งสมาธิไม่ได้ยังต้องทำทานก่อนแล้วก็ขยับไปสู่การรักษาศีลศีลห้าก่อนแล้วก็ศีลแปพอได้ศีลแปก็ไปอยู่วัดได้ไปปีกวิเวกได้ไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาได้ คำถามจากคุณมาดามพัชชีนะครับการชักชวนคุณแม่และน้องสาวไปปฏิบัติธรรมในวันขึ้นปีใหม่แทนการไปท่องเที่ยวทั่วไปได้กุศลอย่างไรคะก็จะได้ได้บุญได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ความสงบที่ดีกว่าที่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาแล้วความสุขเหล่านั้นก็หายไปแต่ถ้าไปนั่งสมาธิกลับมาบ้านความสุขความสงบยังอยู่กับเราเราสามารถทําต่อได้อยู่ที่บ้านก็ทําต่อได้แต่ถ้าไปเที่ยวกลับมาเงินหมดจะาไปเที่ยวต่อก็ไปไม่ได้หรือต้องไปทำงานก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการหาความสุขจากการไป อยู่วัดไปทาบุญไปปฏิบัติธรรมนี้ได้ความสุขที่ดีกว่าได้ความสุขที่ยั่งยืนกว่าคำถามจากคุณทัศนีนะครับสติคุมอารมณ์หมายความว่ายอย่างไรคะก็คุมใจคุมความคิดความคิดเป็นผู้สร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้ามีสติเราหยุดความคิดได้อารมณ์ต่างๆที่เกิดจากความคิดก็จะสงบตัวลงไป เช่นเวลาเรามีอารมณ์โกรธ ถ, ถ้าเราใช้พุโทโธพุธโทโธไปสักระยะหนึ่งอารมณ์โกรดนั้นก็จะหายไปเพราะเราไม่คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีสติแม้แต่แม้เรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่เรายังโกรธได้เช่นคนเขาด่าเราตอนเช้าตอนเย็นเรายังคิดถึงเรื่องที่เขาด่าอยู่เราก็ยังโกรธได้แต่ถ้าเรามีสติหยุดความคิดได้ ทันทีทันใดเขาด่าปุ๊บเราก็พุธโธปุ๊บความโกรธก็จะหายปับ๊บไม่ต้องอไม่ต้องอเก็บมันไว้เป็นเวลานานแต่ถ้าเราไม่มีสติเรามักจะชอบคิดถึงคำคำดา่าคําอะไรของเขาแล้วคิดทีไรก็ทําให้เรากโกรธขึ้นมาทุกทีนี่ะนั้นเราต้องพยายามหยุดความคิดให้ได้โดยเฉพาะความคิดที่ก่ออารมณ์ต่างๆขึ้นมา ถ้าเป็นความคิดที่ดีก็ปล่อยให้คิดได้ความคิดที่ทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราเย็ยนสบายอันนี้คิดได้เช่นคิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอันนี้จะทำให้ใจเราเย็ยนใจสบายคิดได้คำถามจะคุณลูกบอล น, นะครับปฏิบัติธรรมมานานทำอย่างไรให้จิตสงบได้เร็วครับก็ต้องเจริญสติให้มากมาก ต้องพุดโททั้งวันทั้งคืนเลยยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถ้าทำได้รับรองได้ว่านั่งปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยคำถามจากคุณจิงนะครับถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราสามารถมองเห็นดวงคนอื่นคือดูเห็นได้ด้วยจิตเราจะบาปไหมคะไม่บาปหรอก็เราเวลาเราเห็นคนอื่นด้วยตามันบาปเปล่ามันก็เหมือนกัน การดูเห็นไม่เป็นบาปเป็นบุญการกระทาที่ไปทำให้เขาเดือดร้อนนั่นแหละถึงจะเรียกว่าบาปถ้าการกระทา ท, าที่ทำให้เขาได้รับความสุขได้ประโยชน์ก็เป็นบุญคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับทิฏฐาสวะหมายความว่าอย่างไรแล้วมีวิธีจัดการสิ่งนี้อย่างไรไม่รู้เหมือนกันเราไปค้นดูใน g ูเ g l e ดูดีกว่า คำถามจากคุณฟุกนะครับการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าทำบุญโดยเงินไปหลังจากที่เขาทำบุญแล้วจะได้บุญบ้างใครจะได้บุญบ้างครับอย่างไรหมายถึงเวลาที่เขาถอยกระถิ่นไปเสร็จแล้วแล้วเราไปทำบุญทีหลังใช่ครับร่วมกับเขาทีหลังอีกทีนึงถ้าถ้าเงินเข้าวัดก็เราก็ได้บุญเหมือนกันไม่เข้าก็ได้ถ้าเรา เสียเงินนั้นไปแล้วเราได้บุญทันทีเราเสียถ้าเราสละเงินนั้นแล้วเกิดเงินนั้นไปเข้ากระเป๋าใครก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นบุญของเราอยู่อคําถามจากคุณปวิตดนะครับผมอยากให้ภรรยาถือศีลจะเริ่มต้นอย่างไรครับเราเถอให้เขาดูก่อนนะเดี๋ยวเขาก็ตามเราเองพอเราเลิกกินเหล้าเดี๋ยวเขาก็เลิกกินเหล้า ถ้าเราบอกให้เขาอยากกินเหล้าแล้วเรากินนี่มันก็เขาก็ไม่เลิกคำถามหมดครับอาจารย์เดี๋ยวนั่งพักก่อนก็ได้เผื่อใครมีความคิดอยากจะถามอะไรขึ้นมาก็ถามได้คำถามจากคุณวิไลลักษณ์นะครับการที่เขาเกลียดเราเราเกลียดถึงขนาดไม่อยากแม้แต่จะร่วมบุญด้วย เป็นเพราะกรรมเก่าหรือเปล่าคะแล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ความเกลียดมันก็เกิดจากการที่เราไม่ชอบเขานั่นละอาจจะเป็นเพราะเขาพูดอะไรหรือเขาทำอะไรหรือรูปล่างหน้าตาของเขาทำให้เราเกลียดวิธีที่จะแกล้ก็คือเราก็ต้องพุทโธพุทโธไปทำใจให้สงบ แล้วความเกลียดต่างๆมันก็จะสงบตัวลงไปคำถามจากคุณขวัญจิตนะครับศีลขาดสมาธิเสื่อมต้องทำอย่างไรคะก็ทำใหม่ศีลขาดก็รักษาใหม่ไปสมมติขาดแล้วเราก็ตั้งสติบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ให้ขาดเวลาที่มันขาดไปแล้วก็ช่วยไม่ได้มันก็ขาดก็เหมือนกับสอบตกเท่านั้นเองก็สอบใหม่ ก็รักษาศีลใหม่ต่อไปสมาธิก็เหมือนกันสมาธิเสื่อมก็เพราะเราไม่เจริญสติมันก็เสื่อมแล้วเราอยากให้มันเจริญเราก็มาเจริญสติกันแล้วเดี๋ยวสมาธิมันก็กลับคืนมาทุกอย่างมันเป็นเหตุมันเป็นผลอันนี้เดี๋ยวรอให้คนก็พิมพ์คาถามเข้ามามีตอนนี้เข้ามากี่คนละ นิน้อยเท่ากัานนยประมาณสองร้อยคนนะครับอาจารย์เพราะว่าจานไม่ค่อยดีช่วงแรกฝนตกด้วยแล้วก็ไม่ได้แสดงธรรมด้วยนั่งสมาธิคนแล้วก็อาจจะไม่ได้ติดตามเชื่อว่าตอนนี้ก็คงจะมีคนพิมพ์คําถามอยู่เพราะคนส่งสองร้อยกว่าค น, ก, คนก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งอยากจะถามอะไรอยู่เดี๋ยวก็พิมพ์เข้ามา ถ้าไม่พิมพ์้ามาเราก็พุโทโธพุโทโธของเราไปค่ะถ้าเราเป็นเจ๋วเพื่อลดอัตราตัวตนเราทำเราเป็นให้กับคนที่เราลักหรือคนที่เราชอบเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าเราเป็นกับคนที่เราเมียคติด้วยเนี่ยมันจะฝืนใจมันต้องใช้วิธีไหนที่เราจะยอมเราจะยอมได้ทั้งคนที่เราลักแล้วเราเกลียด แต่เราอย่าไปเกลียดเขานียก็รักเขาเนี่มันดูเหมือนง่ายแต่มันยากมันยากพราเราไม่ยอมรักเขามันก็ยากถ้าเรายอมรักเขามันก็ง่ายแล้วมันจะมีอุบายวิธีไหนที่ทําให้เรารักเขาได้คะก็คนเกลียดกับคนรักมันก็มีอาการ32เหมือนกันไม่ใช่คนเกลียดก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันคนที่เรารักก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟัน ไม่เห็นมันต่างกันตรงไหนแล้วการที่เรารับคําสั่งของคนที่เราชอบบอกว่าให้อยู่เงียบๆหรือว่าให้ทําอะไรก็แล้วแต่เราทําได้แต่ในขณะที่คนที่เราไม่ชอบเราก็รู้สึกว่าเราต่อต้าน ต่อต้านก็หยุดต่อต้านเลยพูดโทพุดโธไปแล้วก็ยอมทำตามเขาอ่าก็แล้วแต่เราเราอยากจะทำตามเขาเราก็ต้องหยุดก็ทำตามเขาเราไม่อยากทำตามเขาเราก็ไม่ต้องทำตามเขามันอยู่ที่เราตอนนี้ยูทูเข้าได้ปะ่ะไม่ได้ได้ได้แต่น้อยครับมายังไม่ถึงยี่สิบคนเลยครับพ่อจ๋า You Tube มันไม่ไม่สะดวกเหมือน a c e b o o k นะ a c e บ o o k ทุกคนมี y o ่ Tube เนี่ยทุกคนไม่เลยมีบัญชีกันก็เลยดูได้แต่ จ, จะถามไม่ได้แต่แต่ข้อดีของ YouTube คือเขามาดูย้อนหลังได้เยอะครับอาจารย์เขาจะหาได้ง่ายกว่าเฟซบุ๊กข้อดีของ YouTube ดังนั้นแบบเวลาถ่ายไปถึงจะคนน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายัางไงเขาเขามาตามดูย้อนหลังได้ไดจะหาง่ายกว่า facebook ครับอาจารย์ คำถามมาแล้วนะครับคำถามจากคุณแอดลาสนะครับทำอย่างไรจะเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองเร่งความเพียรในการปฏิบัติให้เพิ่มขึ้นไม่ขาดตอนเจ้าคะก็ต้องเหมือนฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆอ่านแล้วก็จะเกิดฉันทะเกิดวิริยะขึ้นมาอ่านเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอ่านเกี่ยวกับประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆ เห็นความเพียรของท่านเห็นความอดทนของท่านเห็นการต่อสู้ของท่านมันก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจขึ้นมาเห็นชัยชนะของท่านเราก็จะอยากได้ชัยชนะเหมือนท่านมันก็จะทำให้เราเกิดมีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติทังนั้นต้องมันฟังเทศฟังธรรมมันศึกษาประวัติของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย แล้วจะทำให้เราเกิดมีความยินดีที่จะเป็นเหมือนเขาเหมือนกับเด็กๆสมัยนี้อยากจะเป็นนักร้องกันเพราะเขาไปดูนักร้องร้องร้องราทำเพลงกันเห็นแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนเขาเกิดมันต้องมีตัวอย่างให้เขาดูพอมีตัวอย่างแล้วก็จะทำให้เขาเกิดศรัทธาเกิดวิริยะความที่อยากจะปฏิบัติฉันทะวิริยะก็จะเกิดขึ้นมา สักครู่ครับขอสัญญาณขาดอีกแล้วครับแต่มันเป็นไปในทางดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ตัวอย่างส่วนใหญ่เรามักจะไปได้ตัวอย่างที่ไม่ดีกันทางโลกนี้เขาจะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีให้เราเอามาเป็นเรื่องอย่างกันมันก็เลยทำให้โลกนี้วุ่นวายกันถ้าโลกมีตัวอย่างที่ดีให้ดูแล้วทุกคนนำมาไป ทำเป็นเยี่ยงอย่างโลกก็จะดีโลกก็จะเจริญแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้เผยแผ่เรื่องของคนดีกันเผยแผ่แต่เรื่องของคนที่จะว่าไม่ดีก็ไม่เชิงเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ดีแบบไม่มีประโยชน์เนี่ยดีแบบบันเทิงอะไรพวกมโหฬารศกแบบนี้แต่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทางจิตใจมากนะ เพราะว่าคนก็ชอบเรื่องมหรสลพเรื่องบันเทิงพอเอาเรื่องพระมาสอนก็ง่วงนอนกันก็เลยไม่มีใครอยากจะดูกันเพราะใจของคนส่วนใหญ่นั้นใย ไ, ไปในทางบันเทิงมหัศลฝ่ายไปในทางกามอารมณ์ไม่ได้ใยไปในทางความสงบพอเเรื่องของความสงบมาเผยแผ่ก็เลยหาวกันนั่งดูปั๊บเดียวก็หลับ แต่ถ้าเอาเรื่องของการมาลมมามาเผยแผ่นี้ตื่นเต้นเล้าใจอยากจะเป็นเหมือนเขาขึ้นมาคำถามข้อต่อไปจากคุณดิวลี่นะครับ เป็นคนกลัวผีมากครับกลัวถึงขั้นที่ว่านอนไม่ได้เลยในบางครั้งอยากให้พระอาจารย์อธิบายว่าวิญญาณคืออะไรแล้วเราจะต่อสู้กับความกลัวนี้อย่างไรและหากจะพิจารณาจะพิจารณาอย่างไรบ้างครับก็เราอยู่กับผีมาตลอดเวลาไม่ใช่เนะยร่างกายของเรานี่มันต่อไปมันก็ต้องเป็นผีไม่ใช่รัเวลามันตายไปมันจะเป็นอะไรไป งั้นถ้าเราไม่กลัวร่างกายไ ม, ไม่ไม่กลัวผีตัวนี้เราจะไปกลัวผีที่ไม่ที่เราไม่เห็นทําไมขนาดเจอผีอยู่กับผีมาตลอดยังไม่กลัวแล้วไปไปกลัวผีที่เราที่เราไม่เห็นไม่เจอเนี่ยทําไมเราใช้ปัญญาใค่ควรคิดดูด้วยเหตุด้วยผลเราไม่มีปัญญากันเราก็เลยมองไม่เห็นผีที่อยู่กับเราตลอดเวลาร่างกายของเราเนี่ยเป็นผีแน่ๆใช่ไหม พอไมไม่หายใจปั๊บมันก็กลายเป็นผีแล้วไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้นะยั้นถ้าเราอยู่กับผีตัวนี้ได้เราจะไปกลัวผีตัวอื่นทําไมผีตัวอื่นมันก็เหมือนกันแหละอาการสามสิบสองเหมือนกันผีมันมาจากไหนก็มาจากร่างกายของคนเป็นนี่แหละพอพอกลายเป็นคนตายไปก็เรียกว่าผีแล้วก็ไปกลัวกันแค่นั้นเอง กลัวทั้งทั้งที่ตัวเองก็อยู่กับผีตลอดเวลาผีตัวผีที่ตัวเองอยู่ด้วยกับไม่กลัวยังไม่มีเหตุมีผลลองพิจารณาดูร่างกายเราบ้างสิพิจารณาดูร่างกายเราเวลามันตายไปเป็นอย่างไงมันต่างจากร่างกายของคนอื่นที่ตายไปหรือไม่ไปเปรียบเทียบกันดู ไปดูสพของคนที่ตายแล้วแล้วก็มาดูที่ร่างกายว่าร่างกายเขากับร่างกาย เ, ากเรามีความแตกต่างกันไหมเวลาที่ร่างกายเราตายมันจะต้องเป็นเหมือนของเขาหรือเปล่ามันก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนกันทุกอย่างดังนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าน่ากลัวเราก็อยู่กับร่างกายนี้ไม่ได้ร่างกายนี้มันไม่น่ากลัวมันจะหายใจได้หรือไม่หายใจไ ด, จได้มันก็เป็นร่างกายอันเดิมนี้แหละ เวลาร่างกายนี้มันไม่หายใจมันก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนสภาพไปกลายเป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่านั้นเองแต่ถ้าเราฝึกดูบ่อยๆต่อไปมันก็จะชินตาชินใจมันก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกกลัวกับภาพเหล่านั้นเิ่นถ้าเราอยากจะหายกลัวก็หัดดูภาพคนตายบ่อยๆดูอสุภะดูซากศพบ่อยๆ ด, ด, ดูเรื่อยๆ แล้วก็บอกว่านี่แหละตัวเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันตอนนี้เราก็อยู่กับซากศพที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นเองพอมันหยุดหายใจมันก็เป็นซากศพที่ที่ตายที่จะต้องเอน่าที่จะต้องผุเปื่อยไปแล้วในที่สุดก็จะเหลือแต่โครงกระดูกมันก็อยู่ที่ที่ตัวเรานี้เองเอามาจากที่ตัวเราศพต่างๆมันก็มาจาก ร่างกายที่กำลังเป็นอยู่นี่แหละจะมาจากที่ไหนพอเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะหายกลัวคำถามจะคุณปูเป้นะครับขอพระอาจารย์แนะนำการเริ่มพิจารณาอาการสามสิบสองด้วยค่ะต้องพิจารณาให้ครบหรือเปล่าคะเพราะพิจารณาไปแล้วงง ง, ง อ, อการพิจารณาก็คือให้เราศึกษาดูว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างเท่านั้นเองเออ ข้างนอกก็มี5้าอาการคือมีผมมีขนมีเล็บมีฟันแล้วก็ดูแต่ผมอยู่ตรงไหนลักษขนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไรเนื้ออยู่ตรงไหนหนังอยู่ตรงไหนก็ดูไปแค่นั้นเองเหมือนกับเวลาที่เราเขาชำแหละเนื้อเขาก็ชำแหละจากข้างนอกออกมาคนขายหมูขายอะไรเขาก็ชำแหละ หมูเอ า, เอ า, ว, เอาวัยวะต่างๆแยกออกมาสับก็ออกมากองไว้ลำไส้ก็กองไว้แยกๆ ก, ก, กันไปเนื้อก็แยกไว้อันนี้ก็เป็นการศึกษาเพื่อเราเห็นความจริงของร่างกายเท่านั้นเองตอนนี้ที่เราไม่เห็นก็เพราะเราไม่ศึกษากันเราไม่เห็น อ, ว, อวัยวะต่างๆที่มันถูกปกปิดด้วยหนังด้วยเนื้อ เราก็เลยต้องใช้ปัญญาเป็นผู้ที่ชำแหละดูเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไหลกับความสวยงามภายนอกของร่างกายเมื่อเราเห็นความไม่สวยงามภายในของร่างกายเราศึกษาเพื่อที่จะคลายความหลงความใครเรารักคนนั้นรักคนนี้แล้วเราก็ต้องทุกต้องเสียใจไปกับเขาเวลาที่เขาไม่รักเรา หรือเวลาที่เราได้เขาแล้วเขาจากเราไปเราก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่ร่างกายของเขานี่ไม่น่ารักอย่างที่เราคิดถ้าเราเห็นครบถ้วนทั้งอาการสาสองเราก็จะได้เกิดความเบื่อเกิดความไม่รักขึ้นมาไม่รักไม่ใค่กับร่างกายก็ทําให้เราไม่ต้องไปทุกข์กับเขาไม่ต้องมีเขาเราก็อยู่ได้ คำถามจากคุณกหนกกร น, นะครับจเจริญมรณานุสติอย่างเดียวสามารถบรรลุพระโสดาบันได้หรือไม่เจ้าคะถ้าได้จะพิจารณาอย่างไรก็ได้ครึ่งหนึ่งอะเพราะนอกจากความตายแล้วก็ต้องพิจารณาความเจ็บด้วยพระโสดาบันนี่ปล่อยได้ทั้งความเจ็บของร่างกายและความตายของร่างกายวิธีที่จะ พิจาณาก็นึกถึงความตายบ่อยๆในควาร่างกายนี้เกิดมาแล้วก็ต้องตายร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นาธาตรู้ร่างกายเป็นาธาตุดินน้ำลมไฟเพียงแต่มารวมกันเวลาที่ร่างกายตายไปาาธาตรู้คือเรานี้ไม่ได้ตายไปแกบร่างกาย เราก็จะปล่อยร่างกายได้ไม่กลัวความตายส่วนความเจ็บเราก็ต้องฝึกอยู่กับมันดูมันว่ามันก็เป็นสิ่งที่อยู่ที่ร่างกายใจไม่ได้เจ็บผู้ที่เจ็บคือร่างกายแต่ร่างกายเขาไม่เดือดร้อนกับความเจ็บผู้ที่เดือดร้อนแต่ไม่เจ็บก็คือใจเราไม่ได้เจ็บแต่ เ, เพียงแต่มารับรู้ความเจ็บของร่างกายแล้วเราก็ทนความ เจ็บของร่างกายไม่ได้เพราะเราอยากจะให้ความเจ็บของร่างกายหายไปออสอนอย่างนี้เราต้องปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความตายให้ได้ถ้าปล่อยได้เราก็จะเป็นโสดาบันได้วันนี้สัญญาณค่อนข้างไม่ดีนะครับผู้ฟังทางบ้านก็นแต่ฝนฝนก็มาพอดีก็คิดว่าให้กลับบ้านกันดีกว่านะดีครับ เ, เดี๋ยวจะลําบากกันต่อ